แต่ถ้าเราจะเดินตามจะเดินตามก็ทำอนาา น, าำอนาปานสติทาอนทานปานสติไปทาฌานได้ก่อนแล้วไปแยกธาตุแต่ถ้ายัางทำฌานไม่ได้แยกขันธ์แยกขันธ์ขันธ์มีห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นรูปประธรรมอีกสี่เป็นนามธรรมเหมาะสำหรับคนที่ดูจิตมาตั้งแต่แรก นั้นเวลาครูบาอาจารย์บอกถ้าจะเดินปัญญาถ้ายังไม่แยกธาตุแยกขันอย่ามาคุยอวดเรานี่หลว ง, งตามหาบุรษบอกว่าถ้ายังไม่แยกธาตุแยกขันยังมาคุยอวดเราว่าเดินวิปัสสนาอยู่นี่คําของครูบาอาจารยนะ์ครอบคลุมทั้งสมถญานิกและวิปัสสนาญาณิกหมดเลยถ้าทางม า, มาทางสมถญานิกก็แยกธาตุถ้ามาทางวิปัสสนาญาณิกก็แยกขัน ก็ไปแยกเอาจะแยกธาตุหรือแยกขันธ์ก็แยกเอาใครเหมาะที่จะแยกธาตุก็แยกใครเหมาะที่แยกขันธ์ก็แยกต้องแยกต้องดูสภาวะให้เห็นดูสภาวะให้เห็นก่อนนะมีสติเห็นสภาวะเกิดดับตอนเห็นสภาวะแล้วรู้สึกว่าไหลไปรวมอยู่อันนี้คือเผลอเผลอไปรวมเวลาเห็นคน รู้ว่าใครมาแล้วใจส่งไปหาเขาอันนี้คือเผลอไปหาเขาเวลาเห็นเขาแล้วดีใจรู้ทันความดีใจขณะนั้นรู้ทันสภาวะตัวหนึ่งได้สติดูไปดูมาใจไหลไปหาเขาเห็นใจที่ไหลไปตอนนั้นตอนที่ใจไหลใจไม่ตั้งมั่นพอเห็นใจไหลจิตตั้งมั่นได้สมาธิ สมาธิในพระพุทธศาสนาหมายเอาสมาธิที่เห็นความไม่ตั้งมั่นหรือมีความตั้งมั่นทางจิตถ้าคนผ่านฌานมาก็จะมีความตั้งมั่นจากฌานใครที่ไม่ผ่านฌานมาก็เห็นความไม่ตั้งมั่นและตอนที่เห็นนั้นจะตั้งมั่นชั่วขณะก็เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิที่จะพาให้บรรลุมรรคผลที่ท่านบอกว่า แม้เพียงสมาธิชั่วขณะคือคณิกาสมาธิเนี่ยหมายเอาสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นแบบนี้ชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นเกยได้ยินใช่ไหมคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นคือตั้งอยู่ที่จิตไม่ได้ตั้งที่จมูกไม่ได้ตั้งที่หว่างคิ้วไม่ได้ตั้งที่หน้าอกไม่ได้ตั้งที่จุดไหนของกายรู้ที่จิตเป็นจิตรู้แรกๆอาจจะตั้งใจก่อน ต, ต้องตั้งใจดูความไม่ตั้งมั่นที่มันไหลไปหรือมันเคลื่อนไปหาวิหารธรรมสักที่หนึ่งก่อนเช่นที่จมูกที่หว่างคิ้วหรือที่กายตอนที่ระลึกได้ว่าจิตขณะนี้อยู่ตรงนี้นะก็คือหาที่อยู่ให้มันแล้วพอมันเผลอมันเผลอคือไม่อยู่ตรงนี้ไปสนใจเรื่องอื่นไปสนใจสิ่งที่ยินไปสนใจสิ่งที่คิดนึก หรือถ้าลืมตาอยู่ก็สนใจสิ่งที่ดูอยู่จิตไหลออกไปสนใจสิ่งข้างนอกลืมอยู่ที่นี่ลืมอยู่ที่ที่อยู่ของเราตอนมันไหลไปไม่เห็นแรกๆอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เห็นตอนที่ว่าเผลอไปแล้วเกิดราคะเกิดโทสะโมหะไปแล้วตอนนั้นเรียกว่าฝึกรู้ตัวด้วยสติดูไปดูไปชำนาญมากขึ้นจะเห็นเลยว่าจากที่อยู่ตรงนี้เนี่ย พอเผลอนะมันไม่ได้เผลอปกติมันมีการเคลื่อนลองดูนะสังเกตดูนะแต่ถ้าไปตั้งใจดูก็ไม่จะไม่ค่อยเห็นมันจะประเภทว่าเผลอๆแล้วเห็นมันต้องแบบว่าพอเผลอไปแล้วเห็นแต่ถ้าพอบอกว่าให้ดูนี่นะแล้วตั้งใจดูไม่เห็นมันมีความโลภมีความตั้งใจมีความอะไรเหมือนไปจ้องดูซะแล้วเหมือนถ้าโผล่มานะ่นเช่นจะตีหัวมันก็เลยไม่โผล่อย่างเงี้ย ฉังนั้นให้เผลอๆไปบ้างก็ได้แล้วคอยดูตอนที่เผลอนะั่นแหะมันมีการเคลื่อนด้วยความชํานาญที่เคยมีความรู้ตัวเห็นสภาวะบ้างแล้วเนี่ยนะให้ทําต่อในเรื่องนี้ให้ทําต่อในเรื่องนี้เห็นความเคลื่อนไปของจิตตอนเคลื่อนจิตไม่ตั้งมัน่นตอนเห็นว่ามันเคลื่อนจิตตั้งมัน่นะแล้วก็มาแยกธาตุแยกขันเราทํา ทำมาโดวยวิธีดูจิตเนี่ยบางทีก็เข้าอรูปฌานโดยไม่รู้ตัวเช่นไปว้างๆแล้วก็ไปพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเฉยๆบ้างนี่เป็นที่หน่วงพระเจ้าบอกว่าเป็นที่หน่วงของใจเห็นอะไรพบอะไรสัมผัสกับอะไรแล้วเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเฉยๆแล้วถ้าไม่รู้ตัวก็ถูกไอ้สอย่างเนี่ยน่วงเอาไว้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเฉยๆบ้าง ถ้าไปดูแล้วเออสุขเดี๋ยวก็ดับทุกเดี๋ยวก็ดับเฉยๆเดี๋ยวก็ดับดูเวทนาด้วยนะนี่พระเจ้าสอนปูกุศลติแยกธาตุดูจิตแล้วมาดูเวทนายากไหมเหมือนเล่านิทานนะแต่ว่ายากนะจดอะไรได้บ้า ง, น, งนะนะฟังไปจดไปเดี๋ยวจำไม่ได้ ต้องแบบฟังแบบฟังแบบพระเจ้าปุกุสาติฟังอะสนใจในความสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ารู้สึกคึกคักติดตามว่าจะมีอะไรต่อไปจะมีอะไรต่อไปอจิตมันจดจอ่อพระเจ้าวิวิสานจะเขียนอะไรมานะคำต่อไปจะเป็นคำแบบไหนกล่าวถึงอะไรจดจ่ออยู่ตลอดเวลา รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าไม่เหมือนกับเวลาเราอ่านหนังสือรู้สึกว่ามันมันก็คงเหมือนเหมือนเดิมซ้าๆถ้าอาจารย์องค์นี้ก็คงเขียนอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แล้วก็อ่านแบบรูดๆอ่านแบบรุดๆแล้วก็อ่านไปอ่านมาก็ตาก็เลื่อนอ่านแบบรูดแล้วตาก็เลื่อนมันขาดความตื่นตัวพระเจ้าปุกสติเนี่ยจะ ตื่นตัวมากเวลาฟังหรือได้ยินคำว่าพุท ธ, ธะขึ้นมานะตื่นเลยตื่นตามคํคว่าตื่นเลยนะพุท ธ, ธะแปล ว, ว่าตื่นรู้ตื่นเบิกบานให้เวลาฟังธรรมะหรืออ่านธรรมะหรือว่าจะไปจะปฏิบัติธรรมเยนะมีความรู้สึกตื่นเต้นตื่นตัวเหมือนไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนประมาณอย่างเงี้ยรอมานานแล้วประมาณนี้สิ่งที่ผัสสะ กระทบทั้งหลายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยรู้สึกเป็นของใหม่อยู่เสมอของใหม่อยู่เสมอจะทำให้เกิดความตื่นตัวแล้วมีสติง่าย <c oughs> ตื่นตัวตื่นตัวผัสสะอันเนี้ยแล้วจริงๆแล้วโดยความเป็นจริงผัสสะแต่ละครั้งไม่ซ้ำเดิมเลยเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่ซ้ำเดิมเลยมันคล้ายๆเดิม คล้ายๆเดิมนะเสียงก็เข้าทั้งหูนี่แหละเข้าทั้งเดิมแต่ไม่ซ้ําเดิมสักอย่างเลยไม่มีขณะใดที่เหมือนกันสักขณะเดียวหูเนี่ยนะเสื่อมอยู่ทุกขณะคุณภาพในการรับเสียงของหูเนี่ยเสื่อมลงทุกขณะตาก็เสื่อมลงทุกขณะนะผัสสะทั้งหลายก็เสื่อมลงไปลิ้นก็เสื่อมลงไปทุกๆขณะมันไม่ใช่ว่าถึง80แล้วจึงเสื่อม ตานี่ไม่ใช่ถึง40แล้วจึงเสื่อมมันเสื่อมมาแล้วค่อยๆเสื่อมเสื่อมมาเรื่อยๆแต่พอเห็นชัดตอน40 <c oughs> <c oughs> ผิวหนังนี่ก็ไม่ใช่ว่า50แล้วจึงเหี่ยวใช่ไหมมันก็ค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> ลิ้นฟันทั้งนั้นเลยแม้แต่รูปเดียวกันที่ดูอยู่อัน่างสมมตินนะรูปนี้นะ ดูอยู่คนละมุมเนี่ยนะทุกคนเห็นเหมือนเป็นพระองค์เดียวกันนยนะแต่รูปที่โยมเห็นแต่ละคนเนี่ยรูปที่ตาเห็นแต่ละแต่ละแต่ละตาแต่ละตาเนี่ยไม่เหมือนกันนะนั่งมุมนี้จะเห็นอย่างนี้นะนั่งมุมนี้จะเห็นตรงนี้นะนั่งตรงนี้จะเห็นตรงนี้นะแต่ละมุมไม่เหมือนกันนะแล้วที่เรารับรู้อยู่ทุกขณะเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยจิงจกมองมาก็เห็นตรงนี้ ไม่เหมือนกันวัตถุเดียวกันมองคนละมุมจิตคนละดวงที่รับรู้รูปนี้รับรู้รูปที่เป็นเหมือนคนละรูปไม่เหมือนกันนั้นทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนี้ทุกทุกอย่างที่ผัสสะแปลกใหม่ให้ความรู้สึกนี้นะแปลกใหม่แล้วตื่นตัวอยู่เสมอที่จะรับผัสสะ <c oughs> เหมือนที่พระเจ้าปกุสาติฮะพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก ตื่นขึ้นมาแต่เราเนี่ยตั้งแต่จําความได้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาในเมืองไทยทุกวันทุกคืนได้ยินอยู่อย่างนี้แล้วเลยเฉยเฉยพอได้ยินคําว่าพุทธพุทธเฉยเฉยไม่ค่อยตื่นตัวให้ทําความตื่นตัวกับพัรษะทั้งหลายที่มากระทบ แล้จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมถ้าตื่นตัวด้วยตัวเองได้ให้ตื่นตัวด้วยตัวเองตื่นตัวตัวเองไม่ได้หาเพื่อนแอดเพื่อนก่อนจะแอดเพื่อนตรวจสอบคุณสมบัติซะหน่อย <c oughs> <c oughs> นะเป็นผู้ใฝ่ธรรมไหม <c oughs> ผู้ใฝ่ธรรมและชวนคุยก็แสดงว่าไม่ใช่ชวนคุยนอกเรื่องเลยนะไม่เอาไม่เอาด้วยไม่เสียเวลานะถ้าไปคุยแล้วเสียเวลาเราเอง ก็จะเสียเวลาไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เสียไปเอาคืนไม่ได้เวลาที่เสียไปชดใช้ด้วยชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตชีวิตผ่านไปผ่านไปเอาคืนไม่ได้เสียไป5นาทีคือชีวิตเสียไปหนาทีแล้วถ้าไม่มีประโยชน์ก็เสียไปเปล่าๆถ้ามีโทษยิ่งสวยเลยใชาไมแต่<笑><笑>ไม่มีไม่มีประโยชน์ยังรู้สึกเปล่าๆ ถ้ามีโทษด้วยแย่เลยดังนั้นต้องมีประโยชน์เสมอในทุกๆขณะให้ทุกๆขณะที่ผัสสะกระทบให้เป็นประโยชน์ด้วยคือมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้พอได้ไหมวันนี้เรานิทานเลยยาวๆคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งสงสัยอะไรไหมสงสัยว่าทำไม วัวตัวนี้โหดร้ายจัง